ก็ أ, โดยอุปมานี่ก็ใครประทับใจอุปมาไหนที่สุดทุกขสัตย์เนี่ยคุณจูสรีประทับใจอะไรมากกับเพื่อนเนี่ยของหนักเป็นโรคขาดแคลนอาหารคนมีเวรต้นไม้มีพิษภัยฝัย่งในคำไหนไม่ไม่ไม่ถูกใจแล้วกันนะนแล้วอุปมาเป็นอะไรดี ถ้าใครป่วยบ่อยๆนะตัวโรคทุกข์สัต์คือตัวโรคนะเห็นชัดบางคนที่มองว่าขันห้ามันเป็นภาระนะเป็นภาระพวกนี้ก็คือของหนักเป็นบาลีก็คือภาระมันบริหารภาระคือขันห้าบางพวกที่เดือดร้อนในเรื่องการเป็นอยู่มากๆนะเดือดร้อนเรื่องการครองชีพเนี่ยนี้ก็ฟังแล้วก็อุปมาเหมือนกับขาดแคลนอาหารนั่นแหละคือ บางคนที่ศัตรูเยอะๆอะนะพวกนี้ก็อุปมาเรื่องคนมีเวนเนี่ยจะชัดหลับคนที่มันมีเรื่องทะเลาะ ก, กับคนอื่นตลอดอะ่ะมองไปไหนก็ศัตรูรอบด้านไปหมดเนี่ยนะพวกนี้เห็นทุกข์กษัตริย์เป็นคนมีเวเนง่ายส่วนบางคนที่เป็นนักปลูกต้นไม้หรือมีศัตรูเพืชมากๆวัดจะพืชเยอะๆเนี่ยนะทางแล้วไม่มีจบมีสิ้นทําแล้วทําอีกไง น, นะพวกนี้ก็อุปมาต้นไม้มีพิษ ก็อาจจะเข้าใจง่ายแต่บกบางคนที่เป็นนักกลัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเช่นกลัวผีเป็นต้นเนี่ยนะพวกขี้กลัวทั้งหลายเนี่ยฟังคําว่าเป็นภัยนี่ก็ก็อาจจะชัด น, นะนะว่าทุกขสัตว์นี้เป็นเหมือนกับภัยโดยคนที่กลัวกลัวนะนักกลัวเนี่ยหวาดระแวงตลอดส่วนบางคนที่ต้องการจะไปอีกที่หนึ่งแต่มันไปไม่ได้อะ่ะ นะอยากเหมือนกับว่าคนในอยากออกคนน อ, อกอยากเข้านะมันออกไม่ได้สักทีเหรเ น, นะอยู่แล้วมันเดือดร้อนแต่ว่าอยากออกเนี่ยพวกนี้ก็จะมองว่าฝังในกับฝั่งนอกนี่นะถ้าอุปมาไม่ได้สักอุปมา ก, ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะนะหรืออาบทุกข์ศัตร์เหมือนโรงพยาบาลอืมก็นักขันท่าของเราเห็นแล้วเป็นยังไงล่ะ ก็ภายในเนี่ยนะเรามีความรู้สึกยังไงกับขันท่าของเราคืออันนั้นแหละ ท, ที่ที่ประกาศถึงว่าเรามองทุกขศัพท์อย่างไรคือชีวิตของเราเนี่ยเรามีความเข้าใจว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันมีเสถียรภาพไหมมันมั่นคงไหมมันมันเป็นภาราไหมมันเดือดร้อนไหมอะไรไหมคือเรามีความรู้สึกกับชีวิตว่าอย่างไงแต่ถ้าดีมั่นคง ส, ด, สดใสไปหมดเลยทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คิดหมดเลยเป็นไปตามต้องการหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็โอโหอรารยศัสตร์นี้ดูจะข่างอยู่เ ห, หมือนกันนะออันนี้แหละที่เรียกว่ามองขันห้าว่าคือ คืออะไรที่มันคนนั้นประทับใจที่สุดเพราะฉะนั้นก็น้อมเอาขันห้าเนี่ยไปเปรียบกับสิ่งนั้นเนะคือคืออะไรเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขาอ่ะนะพัน่าน้อมขันห้าไปเป็นเช่นนั้นเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าขันห้าเนี่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างสมมุติถ้าใครที่มีกิจการข้างนอกอ่ะนะมีธุรกิจเยอะๆเนี่ยไอธุรกิจทั้งหมดเหล่านั้นก็เพื่ออะไร ไอ้ที่มันวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยก็เพื่ออะไรก็เพื่อเลี้ยงขันท่านั่นแหละแต่จริงๆไอ้ตัวภาระที่มันวุ่นวายทั้งหมดนั้นก็คือตัวขันท่าถ้าใครเดือดร้อนเรื่องการเดินทางมากๆะนะมอมาตอนนี้ชักเห็นเรื่องไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยมันเป็นวุ่นวายจริงๆเลย น, น, นะวุ่นวายตั้งแต่เรื่องทำหนังสือเดินทางทําพาสะปอร์ตทําอะไรมันวุ่นวายไปทุกเรื่องเลยคือคือไมายค ว, าว่าถ้าเทียบกับส ม, มถาวิปัสสนาที่มันเย็นอ่ะนะ มองเป็นเรื่องพวกนี้มองเป็นโอ้ยลำบากจริงๆแล้วเวลาเราไปที่สถานีขนส่งทั้งหลายเนี่ยนะเราเห็นชัดเลยนะทุกคนมันเตรียมจะย้ายภาระกันมันเป็นภาระจริงๆอ่ะเคลื่อนย้ายขันห้านี่มันเป็นภาระเอามากๆเลยอ่ ะ, อะนะหรือใครเคลื่อนย้ายแล้วมีความสุขมาง ก, กว่าตามใจกันละกันแต่ว่าเห็นเป็นภาระจริงๆในการเคลื่อนย้ายนะ ก็แล้วแต่ใครจะน้อมไปคิดขันห้ายอย่างไรแต่คนที่เปรียบเทียบอุปมาเหล่านี้นะเป็นของหนักเป็นโรคาคาแขแลอาหารคนมีเวณต้นไม้มีพิษภัยหรือฝั่งในอ่ะอันนี้คืออธิบายของคำว่าปีละนัดโถเน้นอธิบายอัตถว่าปีละนะหรือเบียดเบียนสันตาปะนะเร่าร้อนแต่บางคนก็มองไปกว่านั้นอีกคือมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอันนั้นเป็น สังคตะฟันจะาหาข้ออุปมาอย่างอื่นก็ได้ไม่จอันนี้เขายกตัวอย่างในการอุปมาเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกหรืออาจจะมองไม่เที่ยงก็ได้มันของเล็กน้อยเกินไปเนี่ยนะทุกขสัตว์มันเป็นของเล็กน้อยจริงๆจะเรียกว่าไม่สมค่าเหนื่อยเลยนะก็เรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นน่ะเหมือนกับว่ากว่าจะคิดทานอาหารบางชนิดนะ ที่เดือดร้อนนั่นกบปลูกผักขึ้นมาเองเลยปลูกผักเป็นต้นสมมุติว่าเราอยากจะกทานต้ยมยำเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศกันแล้วกันที่ไม่มีเครื่องเทศต้ยมยำเลยนะก็วางแผนจะปลูกขิงอ่าพวกปลูกตะไคร้ก่อนนะขิงเขาไม่ได้ต้ยมยำหรอกนะเครื่องมือเนี่ยปลูกใบมะกรูดปลูกมะกรูดปลูกอะไรเนี่ยกว่าจะได้เครื่องเทศมาต้ยมยนำะอ่ะนะโอ้ถามว่ามันแล้วทานอยู่ถ้วยเดียวอ่ะแล้วก็เบื่อนั่นไปเลยอ่ะนะคุ้มค่าไหมล่ะ จะปรุงแต่งกว่าจะได้ชิมอยู่หน่อยเดียวอาจารเคสอนหัวเราะเลยห้องมาเคยต้มยำนะเดี๋ยว่าไม่เคยอะ่ะรู้ก็ได้นะต้มยำเป็นนะเห็นได้อย่ า, ยางเงี้ย กว่าจะได้กินน้ำพริกถ้วยหนึ่งเละต้องย่ง้มานะรนี่ใช้แล้วต้องเก็บขึ้นมาใหม่เอามาเก็บเข้าตู้เย็นแล้ววันหลังต้มใหม่มันถ้วยเดียวอนะยากถ้าทานด้วยท้องเสียด้วยนะเป็นอร่อยแล้วท้องเสียเนี่ยผม แต่ว่าขัดห้าเป็นอย่างนั้นจริงๆน้งไม่เหมือนบ้านเราอะนะเครื่องเพศดีทีนี้มาดูวินิจฉัยโดยสุญญาตาไปแล้วนะเมื่อคืน มาดูโดยธรรมะอย่างเดียวคืออริยสัจเนี่ยจะแบ่งเป็นอย่างหนึ่งสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างก็ได้หกอย่างก็ได้ตัวอย่างในการแบ่งอนะเช่นทุกขศาสเนี่ยจะเรียกว่าอย่างเดียวก็ได้คือปวัตตะปวัตตะหรือปวัตติเนี่ยนะมุนไปในวตะมันไปเรื่อยมันแปลว่ามันไม่หยุดนิ่งชีวิตนี่ไม่มีการหยุดนิ่งนะร่างกายนิ่งจริงกต่จิตล่ะ ถ้าจิตนิ่งจริงแล้วร่างกายมันสมมตินะเอานั่งนิ่งนิ่งสงบเข้าฌานเลยนะรูปขันมันนิ่งด้วยไหมรูปขันมันไม่ยอมนิ่งก็แก่ไปด้วยอ่ะทันสรุปแล้วมันไม่มีการอยู่นิ่งนิ่งมันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเรียกว่าอย่างหนึ่งก็ได้คือทุกขสัพเนี่ยนะคือประวัติกรรมเป็นไปแปลว่ามันเคลื่อนไปอย่างไม่ไม่หยุดยั้งมั น, น ภูกระสัตรนับอย่างเดียวคือไปไม่มีถอยด้วยนงะใส่เกียร์ถอยได้ไหมวัตถุวิญญาณอารมณ์ ม, มันประชุมแล้วก็ไม่มีการหยุดนิ่งตัวรูปประหารเองที่เป็นวัตถุแห่งวิญญาณก็ไม่มีการ <c oughs> หยุดนิ่งตัวอารมณ์ก็ไม่มีการหยุดนิ่งแล้วก็สภาพจิตทั้งหลายก็ ไม่อยู่นิ่งทั้งสามอย่างเนี่ยนะทั้งวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยเป็นไปตลอดเลยไม่มีการยหยุดหยุดอยู่ไม่มีคือคือมันลงทุกขณะ จ, จิตที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าตั้งสมมติว่าตั้งแต่จักขูวิญญาณนะถ้าเป็นจักขูวิญญาณได้ก็ประชุมกันแล้วสามอย่างาไม่พูดถึงปัจจัยอื่นๆนะครับประชุมกันแล้วนะทั้งอารมณ์ทั้งวัตถุแลนะ้วแล้วก็เกิด จากขูวิญญาณเพราะจากขูวิญญาณเลยไปในสาพติดฉันนะก็เป็นของเกิดจากการประชุมกันเองถูกไหมครับก็ทุกอันเนี่ยนะ<ม>สังขารธรรมทุกชนิดก็เกิดจากการประชุ ม, มทุกอย่างเกิดจากการประชุ ม, มแต่ว่าการประชุมกันเนี่ยนะมันไม่มีงานประชุมใดที่มันอยู่ตลอดไปใช่ไห ม, มการประชุมบ้องจากขูวิญญาณก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันจะหยุดแค่เห็นไม่ได้แค่หยุดอยู่แค่หลังจากเห็นแค่นั้นก็ไม่ได้ มันเป็นไปเรื่อยอย่างเนี้ยจนสลับทวารจนเป็นชีวิตที่มันเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะเพราะไม่มีการหยุดหยุดเลยเอ่ามันมีแต่การไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดเลยนะถ้าถ้าถ้าเรามามาทบทวนชีวิตนะมันมีแต่ไปตลอดไปไหนกันที่มันเหมือนเหมือนกันแนะถ้ากล่าวตามมารยาศาสตร์ก็ไปแก่กับไปตายถ้าพูดตามมารยาศสตร์ตรงๆนะอยู่นิ่งก็ไม่ได้อยู่ก็อยู่รอแก่รอตายอีกนั่นแหละถ้าไป ก็ไปแก่ไปตายอีกนั่นแหละนี่คือความจริงเข้าเป็นอย่างนั้นหยุดนิ่งไม่ได้นะเกิดว่าดองไม่ได้สตารไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปซึ่งถ้ายังละสมุทัยไม่ได้เรียกว่าต้นเหตุให้หมุนไปเรียกว่าประวัติณะเนี่ยนะเพราะเราจริงๆเราจุดประกายแห่งการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะอารยิยมรรคเท่านั้นแหละที่เป็นตัวหยุดถ้าไม่ถึงขั้นอรยิยมรรคนะ เราเติมเชื่อตลอดเวลามีการเพราะมีการสร้างจุดประกายแห่งการเป็นไปอยู่ตลอดเวลานะมันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเรารีบวิ่งไปที่ใดที่หนึ่งนะแล้วก็ใจเราก็เตือนตลอดเวลาเร่งรีบเร่ ง, ร, งรีบไอก้กขามันก็วิ่งไปตลอดเช่จิตมันก็บอกว่าเร่งรีบเร่งรีบมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดก็ขณะที่เราทํากรรมทุกครั้งนะนั่นแหละคือต้นเหตุให้เร่งรีบ จะไปเรวอีกแล้วนะมันคนละโลกเลยมันคนละปัจจัยกันพอไปถึงแล้วไม่ใช่หรือนะเธอถ้าถ้ากล่าวไปเนี่ยมันไม่มีการหยุดนิ่งในขณะเดียวกันกายกรรมวิจีกรรมของเราเนี่ยเราทำกรรมตลอดเวลาอันนี้คือต้นเหตุให้ไป พรามันไปถามว่าจริงๆนะทุกคนไปไหนเนี่ยสมมติว่าผู้การจะเดินทางกันนะไปไหนรู้ไหมไปรับวิบากไปเพื่อต้องการรับวิบากแต่ว่าวิบากนั้นจะเกิดหรือไม่ก็ตามสมควรแก่แก่ปัจจัยแต่ว่าว่ารวมๆทุกคนไปสแสวงหาวิบากกันทั้งนั้นนะก็แต่ถึงไม่ตั้งใจแต่ว่ารวมแล้วโดยมากตั้งใจ ไม่มีใครไม่ตั้งใจอ่ะนะคนที่ไม่ตั้งใจรับวิบากแม้กระทั่งขอหลับตลอดเส้นทางนั่นก็คือการเสวยวิบากเองเพราะฉะนั้นไปเพื่อรับผลของกรรมแต่ในบางกิจกรรมนะไปต้องการรับผลของกรรมเช่นกิจกรรมท่องเที่ยวโดยมากไปเพื่อรับผลของกรรมแต่ขณะเดียวกันก็ทํากรรมด้วยนะแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเสวยวิบากกับถ้าเป็นพวกกิจการงานเนี่ยพวกนี้ตั้งจิตตรงๆว่าไปทํากรรม แต่ก็ขณะที่ไปทํากรรมมันก็สเสวยวิบากด้วยนั่นแหละแต่มันก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มแบบเนี้ยพวกกลุ่มทำมาหากินทําการงานทั้งหลายโดยมากกลุ่มนักทํากรรมไปทํากรรมคนมีกรรมเหมือนกันเลยยอมคนนึ้นก็บอกว่าผมมันคนมีกรรมครับอ่า น, น, นะพูดอย่างนี้คนฟังก็มีกรรมเหมือนกัน น, ก น, นั่นแหละท่านถ้าเราจะไปดูหนังฟังเพลงเป็นต้นพวกนี้ไป ไปเสวยผลของกรรมแต่ขณะเดียวกันก็ทํากรรมด้วยถ้าแบบนะพวกนักร้องจะไปร้องเพลงอันนี้ไปทำมัจีกรรมตั้งใจจะไปทำมัจีกรรมพวกไปฟังเพลงก็จะไปเสวยผลของกรรมแต่ขณะเดียวกันก็ทํากรรมด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตมันจึงเป็นไปตลอดไงมันจึงไม่มีการหยุดมันมีการเติมเชื่อกันอยู่ตลอดเวลานะถ้าเปรียบเทียบแบบรถไฟโบราณเลยนะมันขับเคลื่อนด้วยไอ้น้ำะนะใช่ไหมพลังไอ้น้ำซึ่งจะต้องใช้ฟืนใช้ไฟเนี่ย มันวางแผนที่เรียกว่าอาไปไปรับฟืนที่ไหนไ ป, ไปบริโภคไปบริโภคฟืนเป็นระยะระยะแล้วก็ขับเคลื่อนอย่างนี้ไปด้วยชีวิตในวตาเนี่เราก็ลักษณะนีรับทั้งวิบากทำกรรมถ้าตั้งคำถามว่ารับวิบากกับทำกรรมอันไหนมากกว่ากันในชีวิตประจำวันเราเนี่ยตรงๆทํทำมากกว่ารับทากรรมมากกว่าเสวยกรรมถามว่าเวลาหลับกับเวลาตื่นไหนมากกว่ากัน ตื่นมากกว่าตื่นทั้งหมดนั่นแหละคือการทำกรรมทำกรรมตลอดเวลาที่ตื่นรับรู้เฉยๆเป็นมนโนกรรมพูดมจีกรรมกระพริบตายยังเป็นกายกรรมเลยเปนทำกรรมมากกว่ารับผลของกรรมมันก็เป็นใจอย่างเงี้ยอาศัยเหตุกับผลเหตุกับผลสืบเนื่องกังนไปสืบเนื่องกังนไปเพรา ะ, ะนั้นบางคนเขาจึงเบื่อว่าเมื่อไรมันจะเลิกราสักทีหนึ่ง เมื่อไหร่จะเลิกราสักทีนึงแต่คนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองกําลังไปอยู่นะกำลังเดินทางอยู่นะพวกนี้จะไม่คิดจะออกจากวตะแต่กลุ่มที่มีความรู้สึกว่าจะไปกันไหนจะไปที่ไหนกันนักกันหนะาเนาะเหมือนนนะเมื่อไหร่มันจะเลิกไปสักทีเมื่อไหร่จะเลิ ก, ก, เเลกเห็นเลิกได้ยินสักทีหนึงอะนะเพราะแต่ว่าพวกนี้จะไม่คิดชีวิตแค่ตายใช่ไหมเพราะตายก็ไม่ได้เรียกว่าจบอะไรจริงทางธรรมะเนี่ยผู้ที่ไม่บรรลุอริยสัจเนี่ยนะสิ่งที่เขา กลัวที่สุดคือกลัวตายถ้าว่าตรงๆเลยเนยพระปุตุชนทั้งหลายที่ยังไม่บรรลุธรรมะเนี่ยนะท่านกลัวที่สุดคือกลัวตายเหตุผลถามว่าทำไมเหตุผลทำไมคือกลัวว่าวิธีที่จะได้เจริญมัสมีโอกาสเดียว น, นะพระพิสูจน์ทั้งหลาย ท, ที่ท่านการถือการเจริญเป็นกิจการโดยถือเป็นอาชีพของท่านเลยนะท่านถือว่าท่านมีเวลาเจริญแค่ชาตินี้ชาติเดียวสมมติถ้าท่านไปเกิดเป็นเทวดานะคิดหรือว่าจะได้เจริญหรือเอาเกิดชาติหน้าเลยมาเกิดเป็นลูกนายกเลยเอาคิดหรือเขาจะส่งมาเรียนอริยสัจใช่หรอ ถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะคิดหรือว่าจะได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะไม่ง่ายหรอหรือถ้าไปเกิดเป็นเทวดาคิดหรือว่าจะมาฟังธรรมเนี่ยนะก็ขนาดชาตินี้นะเราเราถามว่าตั้งโครงการเพื่อการศึกษาพระธรรมเนี่ยเราเพิ่งตั้งเมื่อไหร่แล้วตั้งไว้แค่ไหนอ่ะนะอันนั้นก็พอจะวัดผลได้แล้วว่าอ น, นาคตต่อไปมันก็แนวเดิมนั่นแหละไม่ได้ต่างอะไรกันนักหรอกเนี่ยนะตั้งโครงการไว้แค่ไหน ให้วัน ล, ละเท่าไหร่นะ เ, เอาเจ้าของโครงการหลานะผู้การเนี่ยตั้งตั้งไว้แค่ไหนเท่าไหร่นะจะได้ให้คนอื่นเผื่อจะได้ได้วิรยินศรีบ้างผมว่าหลายคนนีจะเรียกว่าไม่ได้ตั้งก็ได้นะครับบังเอิญได้ยินวิทยุนะมาซะหน่อยเออนะฮะหลายคนกันนะแต่ที่จะตั้งใจจริงเนี่ยนัจะต้องออกจากงานการวางมือจากการงานนี่นะก็มี อนะก็มีว่างอย่างยักษ์เกสุดานี่ก็มีบ้างนะอันนี้ก็มีผมวางไว้นานแล้วครับตั้งโครการไว้นานแล้วไงแล้วแล้วถามว่าแล้วที่ตั้งไว้ตั้งไว้วันละกี่ชั่วโมงก็สุดแท้แต่มันได้สุดแท้แต่มันครับอันนี้เรียกว่าตั้งไว้กว้างมากกัน คือในระหว่างที่เราต้องทำการงานนี่นะยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นไปยิ่งมันยิ่งหนักหนาอยู่เรื่อยๆทั้งแบกทั้งของทั้งเงินทั้งคนแบกอย่างเงี้ยนะต้องบริหารเงินั้งมหารคนเนี่ ย, ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะทราบดีนะมันรู้สึกก็นักหนักครับแ้ออกมามันน่าจะเบานะ แต่ทีนี้ว่าเบาๆแล้วนะแล้วมาบรรทุกธรรมะเนี่ยได้หนักขนาดไหนอีกนะอันนั้นอีกที่หนึ่งละเบาจะอีกข้างนึงอ่ะนะมันจะมาบรรทุกอันนี้ใส่ได้เท่าไหร่มันก็คือสังเกตดูจากการว่าเราสามารถเฉลี่ยเวลาให้พระธรรมวันลกี่ชั่วโมงเอาเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะเอาจิตที่เป็นไปกับธรรมะนะเป็นเป็นกฎเกณฑ์ว่าเราเนี่ยมีจิตไปกับธรรมะวันละกี่ชั่วโมงถ้าช่วงเปิดเรียนอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยให้นเน้นก็ชั่วโมงครึ่งก่อนแล้วนะ มีวิทยุอีกก็25นาทีใช่ไครับนะวิทยุก็25นาทีแล้วฟังเทปอีกกี่นาทีแล้วอ่านหนังสืออีกกี่นาทีแล้วไปตรึกอีกกี่นาทีเนี่ยนะแล้วใน24ี่ชั่วโมงเนี่ยเฉลี่ยแล้วได้วันละกี่ชั่วโมงเน่นะถ้าเทียบกันมาดูแล้วในปริมาณชั่วโมงเหล่านี้เนี่ยนะพอไหมที่เรียกว่าจะสมควรแก่โลกุตระธรธรมก็มาแบ่งมาคำนวณแบบนี้เลยถ้าคำนวณตรงนี้ไม่ชัดเจนนะ ชีวิตเราจะต่างอะไรจากหลักลอยก็ก็น่าเห็นใจอะนะก็น่าเห็นใจเพราะว่าสาระจริงๆของเราจริงๆอ่ะอยู่ที่ไหนผมามาเคยตั้งคําถามบ่อยๆว่าสิ่งที่เราควนคว้าสแสวงหาเนี่ยนะหาอะไรทุกคนก็บอกว่าต้องการสิ่งที่มันเป็นสาระใช่ไหมสาระของเราอ่ะมันคืออะไรเนี่ยนะสาระเอาเอาด้วยสดจริตใจเลยนะ สาระจริงๆของเรามันคืออะไรคุณองคุณนอ ง, ณน อ, ง อ, อ๋อพยายามจะไม่เกิดนะ อ, อ๋อคุณไพลินสาระจริงๆที่เราหาฮะ อ, อ๋อแหอยู่ใกล้กับคุณตงใครดีคุณอารีก็แล้วกันนั่งกำบังกำบังเขาหน่อย ไม่ได้ยินเลยอ่ะอ๋อสาระจริงๆคือการพ้นทุกข์กละมุนอ่ะอ๋อปราธนาความพ้นทุกข์ก่อนนะสาระกันเตสรอ๋ออ๋อสาระคือการกลัวนรกนั่น เอาไงกันเลยคุณทุกจินนะสลัดอวิชาน อ, อสลัดอวิชานี่คือสาระนะแต่หมายความว่าถ้าอาวิชามันลดเท่าไหร่สาระมันมีเท่านั้นอาจารย์เกด อ, <c oughs> อูยังไม่รู้เลยว่าหาอะไรอนะ <c oughs> ยังยังไม่รู้ว่ามาหาอะไรเลยนะแล้วจะแล้วจะเจอหรือเนี่ ย, <c oughs> เ, ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพบก่อนแล <c oughs> ้วเออใช่อันนั้นแหละอ่ะนะ <c oughs> แต่ยังไม่พบเอาไว้ก่อนยังไงนะ คุณน้าหาอะไร อ, ไอ๋อหาอริยมรักนะคุณลุงอ่ะลุงหาอะไรอืหาสาระอะไรสาระที่เราต้องการจริงๆเลยนะมันคืออะไรอ๋อต้องการศึกับอืมหาสาระอะไรสาระที่เราต้องการจริงๆเลยนะมันคืออะไรต้องการศึกษาโดยลำดับอ๋อต้องการศึกษาโดยลดับแน่นๆนี้ไปท่องปฏิบุกกันกุไป <c oughs> ช่วยกูไปช่ว สาระคือกุศล ส, ส, ส, สิ่งที่ไม่ใช่ไม่เป็นสาระคืออกุศลอ๋อกุศลคือสาระอกุศลไม่ใช่สาระเพราะั้นรู้ว่าตรงนี้กุศลเป็นปสาระทำยังไงครอบครูสาระให้มากขึ้นม า, มากขึ้นแล้วก็พอบครให้ชวนาติดต่อได้สิ่งที่ผมพยายามทำอยู่นั่นนะก็สรุปว่ากุศลเป็นสาระอกุศลไม่ใช่สาระแล้วก็คุณปิดา อที่สุดแห่งทุกข์คือสาระคุณมุนมีเราอ่ะผมไปไหว้พระทั้งทั้งหลายแห่งแลก็ริษฐานว่าขอให้เรีกพกับปีตามศาสนาที่ ล, ลกกกึกซึ้งเกี่ยวกับโลกชีวิตและแต่ลวาและขอใหเวลาได้อ่านของปีเหลนี้วยอ๋ออนนันคือสาระของคุณมุนมีก็ว่าเขาพระไตรปิฎกเอาไว้ที่บ้านสักชุดหนึ่งะนะนนั่นแหละสาระอยู่ตรงนั้นอนะ่ะแล้วคุ ณ, ค, ณคุณอะไรนะจชื่อไม่ได้นะคุณวิชยัย ออสาระคือการศึกษาสิขาสิขาอ๋ะะอเพื่อเก็บข้อมูลเอาไปเจริญไปปฏิบัติต่อไปเออแล้วลืมพูดนายเลยอขอให้พบศาสนาทุกพบทุกชาติไปนะออเห็นแจ้งอริยศัพท์เลยนะ เห็นแจ้งปริญญาธรรมทาเวตาปะธรรมปหาตาปะธรรมสัจจิกาตาประธรรมให้ได้เลยนะเอาหมดอันนั้ประการนี้ได้ภาระเพิ่มแล้วแล้วอาจารย์สุธันนึกออกแล้วยัง ยังกำหนดไม่ค่อยได้เลย <c oughs> คือจะเอาแบบคล้ายๆคนอื่นเขาเอาใช่ไหมอ๋อคนอื่นว่าดีเราก็จะเอาลองไปด้วยนะถ้าเราว่าไม่ดีแล้วค่อยว่าอีกที <hiçbir> <c oughs> แสดงว่าพวกโลกาที่ปตยแล้วแล้วคุณเฉลิอมอ่ะไกลามากเลย อ, ะอ่ะอ๋อขอทำที่สุดแห่งทุกด้วยปริญญาเนี่ยนะยมพ่อละเงี ย, ยบเลยสาระคืออะไรเนอะยมพ่อนี่คือสาระทางเออใครไม่ได้ถามก็ผ่านไปก่อนนะหมอยุพินมาทีหลังไม่ถามลแล้วแลวทวนคำถามใหม่ยุ่งเลย คือสาระท่าท่าสิ่งที่เราควรจะสแสวงหาเนี่ยนะคือหากุศลอย่างที่คุณมลชูว่าก็ก็คที่กว้างที่สุดแล้วก็ถูกต้องตัวที่เราสแสวงหาถึงหาการศึกษาหาการเรียนรู้หาฟังหาอะไรทั้งหลายแหลก็เพื่อหา้าหาตรงๆก็คือหากุศลกุศลก็มาคัดอีกครั้งหนึ่งกุศลล่างที่สุดก็สแสวงหาทานนะกุศล เราเจอทานนกุศลไมวันวันหนึ่งเพราะวิธีให้ทานมทีทั้งทั้งที่เรียกว่า อ, าอมิสทานธรรมทานหรือกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งะนะนหาทานนักกุศลอันนี้เรียกว่าชั้นล่างที่สุดเลยนะหาการให้ทานหาการให้ทานเรียกว่าหาวิธีการบริโภคบริจาคมหาพูดอย่างหยาบอันนี้คือสาระการศึกษาทั้งหมดจริงๆก็เพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ การเรียนการฟังการค้นคว้านะเพื่อหากุสารคือทานก่อนสองศีลละสาระศีลที่เป็นสาระเนี่ยนะหากุศลศีลเนี่ยนะันเราหาเจอศีลหรื อ, อยังตรงไหนบ้างต่อไปอีกสมาธิก็เป็นสาระหาสมถะทั้งหลายเนี่ยนะหาให้พบอย่างสามปัญญาสาระเนี่ยนะมีปัญญาเป็นแก่นพบปัญญาที่เป็นสาระไหมถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้อะไร นี้ศีลสมาธิปัญญาที่บริบูรณ์นั่นคืออริยมรรคโสดาปติมรรคเนี่ยศีลสมบูรณ์สกท า, าคามีมรรคก็ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณอนาคามีมรรคเนี่ยสมศีลสมาธิบริบูรณ์ปัญญาพอประมาณถ้าอารหัตมรรคศีล ส, สมาธิและปัญญาบริบูรณ์เยี่ยมเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องหา หาสิ่งเหล่านี้ให้พบนะทีนี้การที่จะสแสวงหาพบเนี่ยค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้จากที่ไหนหาได้จากที่ไหนก็หาได้จากทุกขัสส์เหล่านี้นะแปรรูปทุกขัสส์เหล่านี้ให้มันเป็นสาระเหล่านี้ให้ได้นะแปรรูปความเป็นไปในวัตะนี้ให้เป็นไปได้ถ้าแปรรูปสิ่งเหล่านี้ให้เป็นสารสามเหล่านี้ไม่ได้เน่ยการศึกษาก็ไม่มีประโยชน์ หรือการศึกษาทั้งหมดก็เพื่อจะแปรสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นสาระเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในชาติชวันะมันเป็นชวันะกิจเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญขึ้นทําขึ้นมันจะต้องขวนขวายสแสวงหาให้พบถ้าใครพบศีลสมาธิปัญญาได้คําว่าหาพบเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แล้วว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไร คำว่าหาพบในที่นี้หมายว่าหาได้ทุกขนทุกแห่งพบกับทุกอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมองเห็นไตรสิขาเลยนะเหลือไปดูต้นไม้สักต้นหนึ่งก็เป็นไตรสิขาได้ยินเสียงไก่ร้องเจี๊ยบหนึ่งก็เป็นไตรสิขาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนี่ยนะเข้าหลักอริยมร์เป๊ะเลยนะถ้าหาอย่างนั้นก็แสดงว่าหาพบแต่ถ้าไม่หายังไม่พบก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็หาต่อไป ทีนี้ถ้ายัางหาอย่างนั้นไม่พบะนะท่องไว้เลยว่าศีลคืออะไรจะได้หาให้พบท่องศีลได้กับพบศีลเนี่ยคนละอย่างกันใช่ไหมปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยนะทุกคนท่องได้ใช่ไหมแต่ถามว่าเมื่อมีสัตว์มีชีวิตเป็นอารมณ์เนี่ยเราพบศีลตัวนั้นด้วยไหมเช่นว่าเรารู้ว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่เป็นเป็นศีล เวลาเราเห็นยุงเมื่อไร่เราคิดถึงศีลด้วยไหมเห็นหมดป๊บนึกถึงศีนเลยปลวกนึกถึงศีลเลยนึกถึงคนสัตว์ทั้งหลายเลยเนี่ยนึกถึงศีลหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าหาศีลเจอ